ดีธรรมบัญญายชุดทุกวันสำคัญชวนกันเจริญธรรมโดยพระพรมคุณาภรณ์ปออประยุโตวัดยาณเวสส ก, กวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพ ร, รานจังหวัดนคนปรปฐมเรื่องที่หถ้าเก่งจริง ต้องสามารถทำให้คนทั้งหลายมีความสุขธรรมกถาเมื่อวันวิสาขาบูชาวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2551 รู้ความหมายพุทธาวาเราประกอบพิธีเวียนเทียนเป็นต้นในพุทธาวาสนี้แล้วก็มาถึงพิธีที่เราประกอบก็คือการเวียนเทียนและวก็เวียนเทียนนี้ก็เป็นเรื่องของวิสาขบูชาเราก็ต้องมาทบทวนความหมายของวิสาขบูชากันทุกปีทุกปีปีละเล็กละน้อยปีนี้ก็คิดว่าจะพูดเพียงนิดหน่อยๆโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยสำคัญ ขอให้เด็กๆ เ, เนี่ยช่วยเรียนไว้นหนูๆจำเรื่อ ง, องวันวิสาขบูชาเอาความหมายไปใช้ถ้าหนูๆไม่ชัดก็คุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยหน่อยนี่ก็วิสาขบูชาเอาว่ายังไงก็บอกว่าเป็นวันบูชาพระจันรใจโดยระลึกถึงโอกาสพิเศษคือการประสู ต, ตรัสรู้และปรินิพานของพระพุทธเจ้า นี้เราก็มาเรียนความหมายของวิสาขบูชาจากเรื่องประสูตรตรัสรูป้ปรินิพพานกันอีกนิดหน่อยวันนี้มาดูกันในแง่ง่ายๆเรื่องประสูตรตรัสรูป้ปรินิพพานนี่แหละแล้วประสูตรหมายความว่ายังไงเด็กก็บอกอาก้าวเขเกิดแล้วสิกขาจบแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะประสูตรนี่มีความหมายมากนนี้ก็เรามาพูดกันถึงความหมายคําว่าประสูตรกันอีกสักหน่อย ที่ว่าพระพุทธเจ้าประสูติเกิดมาเออพระพุทธเจ้าเกิดแน่หรือวันนั้นถามเด็กเออตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านี่ใช่ไหมแล้วบอกพระพุทธเจ้าเกิดเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้ายังไม่ใช่พระพุทธเจ้าเกิดเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าก็หมายความว่าเกิดมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมแต่ว่าพระโพธิสัตว์องค์นี้แหละเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้า นี้เกิดมาแล้วท่นานจะมาเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นจุดกําเนิดถ้าไม่มีเจ้าชายสิทธัตถะพระพุทธเจ้าก็ไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็สําคัญมากจุดเริ่มต้นการประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะเรียกว่าการเกิดของพระโพธิสัตวานี้การเกิดของพระโพธิสัตว์เป็นนิมิตหมายว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดแล้วนะเพราะว่าเป็นนิมิตหมายก็มีนิมิตปรากฏก็คือเจ้าชายสิทธัตถะกุมารเนี่ยประสูติมาก็ ย่างพระบาทเจดเกแล้วเปล่งอาสพิวาจาอโคหมมสมิโลกัสสะเชโถหมมสมิโลกัสสะเศธโถหมสมิโลกัสสะเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้นำใหญ่หัวหน้าของโลกและก็เราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลกความหมายตรงนี้ต้องตีให้แตก ตอนนั้นนี่ตอนนี้แม้แต่ประสูตดความหมายของอานสพิวาจาผู้เรียกวาา่าวาจ่าอาหารเนี่ยตีความได้หลายอย่างเลยในแง่หนึ่งก็คือในแง่ของชบูทวีตสภาพแวดล้อมหรือภูมิหลังในยุคพุทธกาลก็คือว่ามีศาสนาพราหมณ์เป็นใหญ่มีพระพรมเป็นใหญ่มีเทวดาเป็นใหญ่มนุษยสไม่เป็นตัวของตัวเองนึกจะทําอะไรก็กลัวเทวดาจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จอยู่ที่เทวดาจะต้องไปบูชาไปขอร้องไปอ้อนวอนเส้นไหว้ทําวิธีบูชายัญ กนึกกันแต่อย่างงา้นไม่นึกถึงตัวเองว่าจะต้องพัฒนาตัวเองก็มีความสามารถพัฒนาได้มีปัญญาได้เลยพระพุทธเจ้าประสูตรขึ้นมาสัญลักษณ์ที่เป็นนิมิตก็คือการประสูตรของเจ้าชายจิตตตะเรียกว่าเป็นการประกาศอิสร ภ, ภาพของมนุษย์คําที่ใช้เรียกพระพรหมว่าเชิดโถนี่คว่าเชิดโถอมัสมีเนี่ยเป็นคําของพระพรหม พ, พระโรคมเป็นใหญ่เป็นผู้สร้างโลกใครจะมาใหญ่เท่าฉันไม่ได้พอพระพุทธเจ้าประสูตรมาก็เล่าสิเชิโถมนุษย์นี่แหละตอนเ่าเป็นมนุษย์ที่พัฒนาแล้วนะไม่ใช่อยู่ๆจะขึ้นมาเป็นเชตโถเป็นเศรษฐโ ถ, โถได้เอาละนี่ในแง่หนึ่งก็คือเป็นการประกาศอิสรภาพของมนุษย์ไม่ให้มนุษย์มัวจะไปหวังไปรอคอยการดลบันดาลให้หันมาดูตัวเอง แล้วทำไงตัวเองจะเชิดโถเศษโถอย่งงางไงได้ไม่จะอยู่อยู่จะเชิดโถเศษโถขึ้นมาได้จะต้องฝึกหัดพัฒนาตนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญบารมีขนาดหนักเลยต้องทําความดียิ่งใหญ่ทีนี้ก็ความหมายอื่นก็มาและเป็นเชษดโถ่ผู้ยิ่งใหญ่เป็นหัวหน้าและอัคโคมัสมิเป็นผู้เลิศแห่งโลกเป็นผู้เยี่ยมยอดเป็นผู้เลิศเก่งที่สุดจะว่าไงเถิดอัคโคเนี่ยเลิศยอดก็เก่งที่สุดในโลก เก่งที่สุดในโลกคนทั่วไปก็นึกกันในแง่เห ม, ม่อมีอานาจยิ่งใหญ่อาจจะเป็นกษัตริย์ไปรุกรานประเทศอื่นไปครอบครองดินแดนทั่วโลกอะไรต่างๆนี่คือมีอานาจยิ่งใหญ่เป็นยอดของคนเก่งนี่พระพุทธเจ้าประกัสสโคมัสมิเป็นยอดเป็นผู้เลิศในโลกให้ความหมายแก่คำว่าเลิศวป็ยอดใหม่เลยก็คือว่า ใครละเป็นเลิศเป็นยอดก็คือเป็นเลิศเป็นยอดเก่งที่สุดในการทําให้เพื่อนมนุษย์และโลกนี้มีความสุขนี่ความหมายนะใหม่นะเขาไม่เคยคิดกันใครเก่งมันก็ต้องอมีกําลังมากไปคมเห่งรังแกคนอื่นใช้อํานาจจะเอาอะไรก็เอาได้หนึ่งอำนาจที่จะไปเอาต้องการอะไรต้องได้สองก็คือไปบังคับคนอื่นใช่ไหมจัดการอะไรต่ออะไรใครก็ต้องเอาตามใจตัวเอง พระพทเจ้าบอกอกโคยอดเลิศสุดคือเก่งที่สุดในการทําให้คนอื่นมีความสุขเนี่ยหนูๆจําไว้จะเก่งจริงยังไงนะไม่ใช่เก่งไปทําเวียดเวียนไปชก ค, คนอื่น ล, มล้มอะไรไม่ใช่อย่างนั้นต้องเก่งในการที่ว่าเออไปช่วยให้คนอื่นมีความสุขถ้าทําอย่างนี้ได้เก่งจริงพระพุทธเจ้านี่เป็นยอดเป็นผู้เลิศสุดเป็นเก่งที่สุดในการ ทำให้โลกนี้มีความสุขแล้วก็ยอดสุดในการนําแสงสว่างแห่งปัญญามาให้นี่ความเลิ่อความยอดต้องเปลี่ยนความหมายใหม่แล้วก็เชิดโถก็มีความหมายว่าเป็นหัวหน้าในการที่นําคนไปในทิศทางนี้ในการที่เออไปช่วยกันทําให้โลกมีความสุขนะไปช่ายให้คนอื่นมีความสุขนะ จะทําให้คนมีปัญญาขึ้นนะเป็นหัวหน้าในเรื่องนี้เป็นผู้นําในเรื่องนี้เป็นเศธโทและเป็นเศธโทมัสมิอ้าวก็คนที่จะมาทําอย่างนี้ได้ต้องฝึกตัวเองต้องพัฒนาตัวโดยเฉพาะธรรมชาติมนุษย์ที่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้จากการฝึกต้องพัฒนาตนเองพระเจ้าก็ตรัสบอกทันโตเศธโทมนุษย์เสสุในหมู่มนุษย์นั้นผู้ที่ฝึกแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดก็หมายความว่าเราประเสริฐได้จากการฝึก ก็คือฝึกฝนพัฒนาตนให้ตนเนี่ยเป็นคนที่มีชีวิตดีงามยิ่งขึ้นนะมีศีลมากขึ้นมีสมาธิจิตใจดีขึ้นมีปัญญาจนกระทั่งรู้เข้าถึงความจริงอย่างเงี้ยจึงจะเรียกว่าประเสริฐจริงประเสริฐในการฝึกไม่ใช่อยู่ๆเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ก็ประเสริฐเลยเราบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐพระพุทธศาสนาบอกมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐในการฝึก หรือว่ามนุษย์ที่ฝึกแล้วจึงประเสริฐพระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐอยู่ดีๆจะประเสริฐได้ยังไงล่ะเกิดมาประเสริฐได้ทันทีที่ไหนต้องนี่แหละทันโตเศโถมนุษย์เสสุแล้วถ้าหากว่าฝึกดีแล้วเศธโถเทวมนุษเสเลยนะประเสริฐในหมู่มนุษย์และถุยเทพเลยเนี่ยมนุษย์ที่ประสึกประเสริฐก็เข้าคติที่ว่า พระพุทธเจ้าประสูติเปเจ้าชายสิทธัตถะก็ตรัสอสภิวัจจาก็คือเมื่อมนุษย์ได้ฝึกตัวเองให้มีศีลสมาธิมีปัญญามีปัญญาเข้าถึงความจริงขธรรมชาติอย่างแน่นอนแล้วมีจิตใจเป็นอิสระหลุดพ้นมีความสุขโดยสมบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้วอย่างนี้แหละแล้วก็ไปช่วยผู้อื่นทาโลกนี้ให้ดีงามมีความสุขอย่างเนี้ยจึงจะเป็นผู้เลิศที่แท้จริง ก็เลยให้ความหมายใหม่ก็ได้เราก็ได้คำว่าอัคโคเศธเชดโถเศธโถสามคำเราก็เอามีมาตั้งก็ได้นี่ความหมายของการประสูตพระเจ้าสามคำนี่นะหนึ่งอัคโคต้องเก่งในการที่มาช่วยให้โลกนี้มีความสุขนะทำได้ไหม <laughs> อย่าไปคิดจะเก่งว่าจะไปเอาให้ตัวเองได้มากที่สุดไปบังคับคนอื่นให้มากที่สุดเลยอย่าไปคิดอย่างนั้น คนก็ไม่ค่อยคิดกันเรื่องอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็ไม่เอาใช่ไหมเน่ยอโคยอดเยี่ยมเก่งที่สุดในเรื่องนี้ถ้าเก่งได้อย่างนี้ดีไหมเด็กๆตอบหน่อยดีไหมครับหนูดีไหมครั บ, รบเก่งอย่างเงี้ยดีไหมดีนะต้งเก่งอย่างนี้เยี่ยมยอดในการทําให้คนอื่นเป็นสุขตั้งแต่ในครอบครัวก็บอกเออฉันจะ ต, ต้องเก่งในการทําให้คุณแม่คุณพ่อมีความสุข แล้วคุณพ่อคุณแม่จะมีความสุขได้ยังไงก็หนูก็ต้องเป็นเด็กดีตั้งใจเล่าเรียนศึกษาไปเรียนหนังสือเรียนได้สําเร็จคุณพ่อคุณแม่ก็มีความสุขเก่งในการทําให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขได้ทําได้ไหมเก่งในแง่นี้เก่งในการทําให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขต่อไปก็เก่งในการทําให้พี่น้องมีความสุขเก่งในการทําให้เพื่อนมนุษย์มีความสุข เป็นผู้นำโมเทกก็เก่งในการทําให้ราษฎรประชาชนมีความสุขใช่ไหม เ, ออเก่งอย่างนี้สบายเลยเนี่ยเข้าแนวทางพระพุทธเจ้านี่คติจากการประสูนึงแล้วนะการที่จะเก่งอย่างนี้ได้บอกแล้วว่าตอนที่ประสูนัน้นยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าแต่จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าที่จะเก่งอย่างที่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าใดต้องยังไงต้องฝึกตน ต้องศึกษาต้องพัฒนาตนพระพุทธเจ้าพัฒนาตนด้วยการบำเพ็ญบารมีบำเพ็ญความดีอย่างยอดเยี่ยมชนิดที่เรียกว่าคนธรรมดาทําไม่ไหวเลยนี้เราก็ต้องทําแนวทางนั้นแหละก็คือฝึกฝนพัฒนาตนเองคนเราจะเก่งเป็นอะไรได้ต้องพัฒนาตนไม่ใช่เป็นคนที่เอาแต่สนุกส น, นานใช้เวลาผ่านไปไม่มีประโยชน์ไม่ได้ฝึกตัวเองเลยแล้วจะไปเก่งได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้ ต้องจะแข็งแรงจะเข้มแข็งจิตใจเข้มแข็งปัญญาเข้มแข็งมันต้องฝึกตนเท่านั้นเลยเท่านั้นเด็กจะต้องฝึกตนใช้หลักนี้ไว้เลยว่าเราจะต้องฝึกตนฝึกตนฝึกตนฝึกตนฝึกเข้าไปเนื่อเป็นคนแล้วถ้าฝึกมากเท่าไหร่จะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นนักวิทยศาศาสตร์เป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ก็เป็นได้การฝึก เพราะนั้นหนูฝึกเข้าไปเถอะไม่ต้องห่วงใช้หลักการของพระพุทธเจ้านี้สาเร็จแน่นอนเป็นนักฝึกตนมองอะไรอะไรเป็นแบบฝึกหัดในการที่จะฝึกตนไปหมดเลยมองทุกอย่างเป็นการเรียนรู้มองสิ่งที่ประสบทุกอย่างเป็นแบบฝึกหัดที่เราจะฝึกตนแล้วจะก้าวหน้าแน่นอนเอาละคติจาการประสูตรเป็นอันว่าคติาการประสูตก็ต้องฝึกตนและ เพื่อจะได้เป็นคนที่เก่งที่เยี่ยมยอดในการที่จะทำให้โลกนี้อยู่ดีมีสุขนะต่อไปก็ตรัสรู้ตรัสรู้ทำไงก็ต้องมีปัญญาพูงง่ายๆรวบรัดที่สุดใช่ไหมตรัสรู้ก็แปรู้แจ้งรู้แจ้งเข้าถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายรู้ธรรมชาติรู้ชีวิตเพื่อนมนุษย์รู้คนความต้องการทุกสุขของเขาเป็นยังไง ถ้าเราไม่รู้นี่เราทำอะไรไม่ถูกนั้นต้องรู้พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้นี่เป็นบทสำคัญเป็นตัวตัดสินเลยฝึกตัวเองมายังไงฝึกไปเถอะฝึกหลายด้านฝึกพฤติกรรมฝึกความสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมฝึกจิตใจ จิตใจให้เข้มแข็งฝึกจิตใจให้มีสติมีสมาธิฝึกจิตใจให้มีคุณธรรมมีความดีมีเมตตากรุณาเป็นต้นแล้วก็ฝึกจิตใจให้มีความสุขมีปีติมีความร่าเริงเบิกบานผองสายฝึกเข้าไปแต่ในที่สุดสําคัญที่สุดต้องฝึกให้มีปัญญาปัญญาเยี่ยมยอดรู้แล้วจึงจะรู้ว่าไอ้ที่ฝึกนมันถูกหรือไม่ถูกฝึกทางด้านความสัมพันธ์ในเพื่อนมนุษย์ฝึกจิตใจตัวเองจะรู้ว่าถูกหรือผิดต้องมีปัญญาเป็นตัวบอก เราก็ต้องพัฒนาฝึกปัญญาขึ้นมาฝึกปัญญาจกนกระทั่งปัญญาเนี่ยเข้าถึงความจริงธรรมชาติพอปัญญารู้ความจริงแล้วก็เอาความรู้ในความจริงนั้นแหละมาใช้ปฏิบัติแล้วก็จะทําอะไรได้สําเร็จคนที่รู้มีปัญญาเนี่ยเขาทำสองขั้น1รู้ความจริง 2. นําความรู้ในความจริงนั้นมาใช้ก็เกิดการปฏิบัติ เช่นเราจะแก้ปัญหาหนึ่งเรารู้แล้วปัญหานี้คืออะไรสาเหตุของปัญหาเป็นยังไงแล้วพอรู้ความจริงข้งมันแล้วก็เรียกว่ารู้ธรรมชาติต่อไปขั้นที่สองก็รู้โดยเอาความรู้ที่เรื่องของข้อมูลเป็นต้นเกี่ยวกับธรรมชาตินั้นมาใช้วางแผนเป็นต้นในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือในการประดิษฐ์สร้างสารรค์ต่างๆเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ใช้ปัญญาสองระดับนีจึงเป็นสมมาสัพุทธ หปัญญาขั้นรู้ความจริงสองปัญญาขั้นเอาความรู้ในความจริงนั้นมาใช้ได้ถ้าใครทาได้สําเร็จสองขั้นนี้ก็เป็นผู้ประสบความสําเร็จสามารถเป็นอัคโคที่ว่าเยี่ยมยอดได้ต้องได้ทั้งสองขั้นนะหนึ่งขั้นรู้ความจริงถ้าคุณไม่รู้ความจริงคุณใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาทําอะไรตอนอะไรไปสร้างสารรค์มันก็ไม่สําเร็จสําเร็จมันก็ไม่จริงเหมือนอย่างเวลาเนี้ยวิทยาศาสต ร, ร์ ก็คนพบหาความรู้เนี่ยธรรมชาติหาความจริงก็ธรรมชาติถึงความจริงก็ธรรมชาติอ้าวแล้วก็เอาความรู้นั่นแหละเขาเรียกว่าล้วงความลับของธรรมชาติแล้วฝรั่งก็บอกฉันล้วงความลับของธรรมชาติแล้วฉันจะเอาความลับของธรรมชาติเนี <edel> ่ยมาจัดการกับ <Colombia> มัน <fades> ว <away> ่างันเนอก็เอาชนะธรรมชาติก็คือความรู้ขั้นที่สองนี่ปัญหาก็คือมนุษย์เนี่ยรู้ความจริงของธรรมชาติจริงหรือเปล่า บางทีก็รู้ไม่พอรู้เหมือนกันแต่รู้ไม่พอพอทาไปทําไปใช้ความรู้นั้นไปอีก10ปีจึงรู้ว่าเกิดโทษแหละเพราะว่ารู้ไม่ทั่วท่วนรู้ไม่ทั่วตลอดปัญหาเดี๋ยวนี้ก็คือมนุษย์เนี่ยไม่รู้จริงต้องการรู้ความจริงธรรมชาติก็รู้ในระดับหนึ่งแล้วก็มาใช้ประโยชน์ในระดับเท่าที่รู้แล้วมาแก้ปัญหาทําการสร้างสรรค์ต่อไปแต่ว่าเพราะไม่รู้ทั่วท่วน ก็เกิดปัญหาว่าไอส้สวนที่ตัวไม่รู้ก็คือเมื่อตัวทําอะไรขึ้นมาแล้วมันก็เป็นเหตุปัจจัยส่งผลแต่สิ่งอื่นที่ตัวไม่ได้รู้ได้เห็นไม่ได้มองมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะนั้นหลักพุทธศาสนาท่านให้ว่าอันหนึ่งนะโยมจําไว้ด้วยอันนี้ก็คือกฎธรรมชาติเนี่ยกฎทั่วไปเราเรียกว่ากฎแห่งเหตุปัจจัยหรือเหตุและผลก็สิ่งหนึ่งหลายที่เป็นผลก็เกิดจากเหตุเพราะฉะนั้น นักวิทยาศาสตร์ก็ต้องเรียนรู้ธรรมชาติรู้เหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลายมื่รู้เหตุปัจจัยแล้วทาเหตุปัจจัยก็ให้เกิดผลนั้นได้นี่ท่านเตือนไว้อันหนึ่งก็คือมนุษย์เนี่ยมักจะอยู่ในลัทธิเรียกว่าลัทธิเหตุเดียวผลเดิมผลเดียวเรียกว่าเอกากาณวาทะลัทธินี้นะเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นนะลัทธิเอกากาณวาทะลัทธิเหตุเดียวผลเดียวคือมองไปที่เหตุกันึกว่าเออฉันต้องการผลนี้ฉันก็หาเหตุเข้ามาให้ได้ แล้วทําเหตุของมันแล้วก็จะได้ผลนั้นก็จริงก็ได้อยู่แต่หารู้ไหมว่าที่จริงความจริงกับธรรมชาติมันไม่ใช่แค่นั้นและความจริงมันเป็นยังไงล่ะมันไม่ใช่เหตุเดียวผลเดียวเหตุหนึ่งปัจจัยหนึ่งก็ให้เกิดผลหลากหลายโอ้ไอ้ที่เราทําเหตุอันหนึ่งเนี่ยเรามองไปที่ผลเดียวที่เราต้องการแต่ในขณะนั้นเหตุที่เราทําไปแล้วเนี่ย มันส่งผลออกไปอื่นอีกเยอะแยะเลยแวดล้อมมากมายอันนี้เราตามไม่ทั่วถึงแล้วมาเกิดผลต่อเราภายหลังเหมือนอย่างปัญหาเรื่องสิ่งแวดลอ้อมธรรมชาติปัจจุบันเพราะเหตุที่มนุษย์เนี่ยอยู่ในรัที่เอ ก, การานนว่าเหตุเดียวผลเดียวอ้าวทีนี้เหตุเดียวก็ให้เกิดผลหลากหลายแล้วผลเดียวก็เกิดจากเหตุปัจจัยหลากหลายเช่นเดียวกันผลอันหนึ่งเนี่ยที่เราต้องการ มันไม่ใจกเกิดจากเหตุปัจจัยเดียวเราต้องการมะม่วงเรามีเม็ดมะม่วงเราบอกว่ามีเม็ดมะม่วงเราก็ได้เหตุแล้วใช่ไหมแล้วมีเม็ดมะม่วงอย่างเดียวมาเกิดต้นมะม่วงไหมไม่ผลคือต้นมะม่วงที่เราต้องการจะเกิดขึ้นได้จากปัจจัยอนเนกปัจจัยอนเนกก็คือว่านอกจากเม็ดมะม่วงแล้วต้องมีน้ํามีปุ๋ยมี แกส๊สอากาศอะไรต่างๆมีความชื้นความและอุณหภูมิอะไรต่างๆที่มันเ อ, อื้อทุกอย่างท้าเรียกว่าเหตุปัจจัยพร้อมแล้วนี่แหละจึงจะเกิดผลนั้นขึ้นมานี่คือหลักการที่เรียกว่าไม่ใช่เอกาการณวาดเวลานี้แม้จะชาวพุทธเราเนี่ยถือหลักกรรมก็เป็นเอกาการณวาดกันแทบเท่านั้นเออฉันทาดีแล้วไม่เห็นได้ดีก็ทาเหตุและจะมาเหตุก็คือดี ผลดีไม่เกิดเอ้ากับผลดีมันจะเกิดยังไงผลคุณต้องการคืออะไรคุณต้องศึกษาว่าไอ้ผลดีอันนี้นอกจากตัวเหตุนี้ต้องการปัจจัยอะไรอีกบ้างคุณต้องศึกษาปัใจจัยให้ครบปัจจนะัยนั้นคุณทำครบไหมถ้าปัจจัยไม่ครบคุณก็ไม่สำเร็จและอันนี้มันจะทำให้เราเจริญปัญญาเพราะเราทำไปแล้วเอ๊ะทำไมผลไม่ไม่เกิดจากเหตุที่เราทำเราก็ มาพิจารณาตัวเองมาศึกษามาวิเคราะห์เหตุปัจจัยว่าปัจจัยอะไรมาขาดไปการทํากรรมครั้งต่อไปเราจะได้พัฒนาขึ้นทําให้มันครบไม่ใช่มาไหลมาไหลก็อยู่แค่กรรมดีเกิดผลดีลกรรมชื่วเกิดผลเชื่อแล้วก็มองเหตุเดียวผลเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ไปไหนพอทําไปแล้วไม่สําเร็จก็ท้อถอยหดหู่อะไรต่ออะไรแล้วก็โทษว่าฉันทําดีไม่เห็นได้ดีอยู่นี่แหละมันก็ไม่พัฒนา แต่ถ้าทำคนทำเป็นทำกรรมเป็นเนี่ยก็จะมองตามหลักนี้ว่าผลหลากหลายจากปัจจัยอเอกเอานะ่ยจำไว้อยู่หลักการที่แท้เนี่ยผลหลากหลายจากปัจจัยอนเนกเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งนี่ส่งผลออกไปนี่มากมายแล้วก็ผลอย่างเดียวเกิดจากปัจจัยก็อนเนกมากมายหลากหลายด้วยปัจจัยพลังพร้อมเมื่อไหร่จึงจะเกิดผลนั่นอย่างเรื่องปฏิจสม บ, บาติเนี่ย แปลว่าการเกิดขึ้นโดยอาศัยปัจจัยพลื๊พร้อมอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ว่าอยู่อยู่เหตุเดียวเกิดผลนั้นคนศึกษาเรื่องนี้มันจึงยากนะเพราะว่ามันเป็นระบบเหตุปัจจัยที่ซับซ้อนฉะนั้นมื่งนั้นปฏิจจสมบาทจะยากอะไรใช่ไหมคนไปมองแค่ว่าเป็นเหตุปัจจัยเหตุผลคิดแค่นั้นไม่ได้เรื่องมันเยอะเอาละหลักการนี้โยมต้องจําไว้เรื่องปัญญาเนี่ย ผลหลากหลายจากปัจจัยอนเนกถ้าไปยึดลัทธิเหตุเดียวผลเดียวถ้าเรียกว่าเอกการณาวาทเป็นลัทธิมิจฉาทิฏฐิเนีเราจะพัฒนาตนเราก็ต้องฝึกฝนมีปัญญาวิเคราะห์เหตุปัจจัยหลากหลายนี่ให้ได้แล้วก็พัฒนาทำปัจจัยต่างๆให้พร้อมเพื่อได้ผลที่ประสงค์แล้ววิทยาศาสตร์ปัจจุบันที่มันลังบากก็คือตรงเนี้ยตามเหตุปัจจัยไม่ไหวคือพอทําอะไรขึ้นไปอันหนึ่งแล้วเนี่ย ตามไม่ไหวว่ามันเป็นส่งผลอะไรไปบ้างแล้วก็เวลาตนต้องการผลเนี่ยผลนัะบางทีไม่ได้เต็มที่ไม่ได้ดีโดยพร้อมบริบูรณ์สมบูรณ์ก็เพราะว่ามันตามปัจจัยไม่ครบจะเปจุดอับจนของวิทยาศาสตร์ก็เพราะตรงนี้ก็คือตามเหตุปัจจัยไม่ไหวขอให้ลองดูเถอะเวลานี้มันติดตรงเนี้ยไปไม่ไหวจริงๆไม่รู้จะตามยังไง ก็แค่เหตุเดียวเนี่ยเราทำธรรมปัจจัยอันหนึ่งเนี่ยเราตามไม่ไหวแล้วนะว่ามันส่งผลไปอะไรบ้างเอาละพระพุทธเจ้าตรัสรู้หลักการนี้เลยก็คือเรื่องตรัสรู้นี่แหละพระพุทธเจ้าถึงได้ถือปฏิจจสมบัตเป็นสำคัญพอตรัสรู้แล้วมาเสวยมุติสุขก็ตรัสสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นพุทธพจน์อันเป็นปฐมในตอนตรัสรู้ ยะาเวปาตุพวันติธรรมาตาพิโนชายโตพรามณัสสะเป็นต้นก็คือตรัสเรื่องปฏิจจสมุปบาทหมายความพระองค์ตรัสรู้มานี้คือตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทและนิพพานแล้วก็มาทบทวนพระองค์มาเสวยมุติสูงนั่นมาทบทวนปฏิจจสมุปบาทด้วยนี่ตรัสรู้แปลว่าหนูต้องมีปัญญาฝึกตัวเองมา ในที่สุดฝึกทุกอย่างให้ชีวิตดีขึ้นแต่ว่ามีแกนยอดก็คือปัญญาต้องเป็นคนมีปัญญาฝึกให้มีปัญญาให้ได้ถ้าไม่มีปัญญาก็แก้ปัญหาไม่สำเร็จโลกนี้มีปัญหาอยู่เสมอต้องให้เราต้องแก้เราจะแก้ได้ยังไงถ้าไม่มีปัญญาปัญญามาปัญหาหมดถ้าปัญญาไม่มาปัญหาก็ต้องเต็มที่นั่นก็ไปอ่านว่าเราต้องแก้ปัญหาด้วยปัญญา ต้องเป็นคนมีปัญญาก็ตรัสรู้ทีนี้จะทําไงตรัสรู้ก็แปนว่าเราก็ต้องฝึกตนฝึกตนฝึกตนไปในที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสรู้และพระองค์วัินี้ผ่านพระองค์ก็เตือนพวกเราไว้พวกเราในยังฝึกตนอยู่ยังไม่ตระัสรู้กันเยอะเลยทําไงพระองค์ก็ลงท้ายด้วยปัจฉิมวาจาพระวาจาสุดท้ายของพระพุทธเจ้าอภปปมาเทนะสัมปาเทถะเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม นั้นที่เธอฝึกตอนอยู่นี่นะฝึกไปเธ อ, อ่าได้ประมาทจงใช้เวลาด้วยความไม่ประมาทเวลาผ่านไปมันไม่รอใครเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครใช่ไหนะเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยเวลาล่วงไ ป, ปเปล่าไม่ได้ถ้าปล่อยเวลาแล้วไ ป, ปเปล่าท่านก็เป็นคนประมาทนั้นเราก็ต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์จงกระทั่งว่าพระพุทธเจ้าตรัสนี่ เวลาพราะองค์ตรัสอย่างหนักอย่างเรียกว่าเอาทุกขณะเลยนะคโนโวมาอุปจักขาเวลาแม้แต่ขณะเดียวอย่าได้ล่วงเลยท่านไปเสียนี่ทุกขณะเลยนะถ้าเป็นผู้ปฏิบัติถึงวิปัสนาเพราะอะไรวิปัสนาเพราะว่าต้องรู้ฐานปัจจุบันทุกขณะเนี่ยวิปัสสนาก็คือรู้ความจริงที่เป็นไปอยู่ทุกขณะเลยนี่ขั้นที่ว่าไม่ประมาทจริงต้องคโนโวมาอุปจักขา เวลาแม้แต่ขณะหนึ่งขณะหนึ่งแต่ละขณะอย่าได้ล่วงทันไปเสียเอา้ายอมให้พวกเรายังไม่ไหวไม่ไหวเอาอยัางไงบอกว่าอาโม ค, คังที่วสังกยิราเอาเปนะภูกเกณนวะว่าบอกว่าเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าไม่มากก็ น, น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างเอาละอขนาดอาโม ค, คังที่วสังกยิรานี่อาจจะบอกไม่ไหว ไม่ไหวก็เอาอันนี้ก่อนนะจำไว้เลยหนูหนูว่าจำให้ดีเลยคาถาเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ที่สุดดีกว่าคาถาเสยศรรษศาสตร์เยอะเลยคาถาเศ ร, รษศาสตร์ไม่รู้จะมาสําเร็จเมื่อไรแต่หนูธรอั น, นี้ได้ทันทีจำไว้จะเอาท่อนไหนก็ได้นะเอาไหว้ฟังอีกทีหนึ่งอโมคังที่วัสังกจิราเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าอโมคังก็คือไม่ให้เป็นโมคะโมฆะก็แปลว่างเปล่าเสียเปล่า อามคังก็ทาให้ไม่เป็นโมคะไม่ว่างเปล่าที่ว่าสังกัวันนั่นเองอโมคังที่ว่าสังกะยราพึงทำวันเวลาไม่ให้เป็นโมคะก็แปลเอาความว่าเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าเอาเอาแค่นี้ก็ได้ถ้าเอาให้เต็มก็บอกว่าอัปเปน ะ, ะหูเกณนะวาไม่มากก็ น, น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างเออถ้าเราไม่ได้มากก็ให้ได้น้อยนั้นหนูนะวันวันหนึ่งต้องตั้งเกณฑ์ไว้เลย บอกวันนี้เราต้องได้บ้างแหละได้อ่านหนังสือบ้างตั้งเกณฑ์ไว้ไปกิจวัตรเขาเรียกว่าตั้งวัดไว้วิธีฝึกคนเนี่ยเขาให้ตั้งเป็นวัดวัดคือข้อปฏิบัติประจําวันนี้จะต้องทําอะไรบ้างตั้งเป็นวัดไว้แล้ววันนั้นจะต้องทําให้ได้นะเช่นว่าอ่านหนังสือให้ได้หนึ่งหนะ น, น้าอ่านหนังสือให้ได้5หน้านะหรืออะไรก็ว่าไปนะต้องได้ความรู้อย่างเงี้ยตั้งเกณฑ์ไว้เลย นี่ต่อไปจากได้วันละนิดละนิดละหน่อยเนี่ยเดือนหนึ่งได้เท่าไหร่เดือ น, นได้30เท่าแหละใช่ไหมปีได้365 366เพราะฉะนั้นก้าวหน้าแน่นอนนั่นก็เอาหลักความไม่ประมาทดีแล้มาใช้พระพุทธเจ้าตรัสเตือนเสมอเรื่องความไม่ประมาทเนี่ยตัดคู่กับเวลาเวลาผ่านไปเนี่ยชีวิตของเราเป็นต้นสิ่งต่างหลายก็เปลี่ยนแปลงไปล่วงไปผ่านไป เพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ประมาทตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสเตือนไว้ในโอกาสของการปรินิพพานเป็นปัชิมวาจาวาจาสุดท้ายของพระองค์ว่าจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมก็คือใช้เวลาอย่างไม่ประมาทก็ครบแล้วนะ3อย่างเอาคติอย่างง่ายของวันวิสาขาบูชาวันประสูตรตรัสรู้ปรินิพพานหนึ่งประสูตรว่าไงทวนอีกทีหนึ่ง สอนว่าจะต้องฝึกตนฝึกฝนพัฒนาตนฝึกฝนปรับปรุงตนแล้วแต่จะใช้สนวนอะไรกันได้ฝังสั้นๆก็บอกฝึกตนหนึ่งเติมเข้าไปให้หนักแน่นบอกต้องฝึกตนต้องฝึกตนอา้าวต่อไปตรัสรุว่าอย่างไงครับตรัสรุว่าอย่างไงสรัสรุต้องเป็นคนมีปัญญา หนึ่งประสูติต้องฝึกตนสองปรัสรตุต้องเป็นคนมีปัญญาแล้วก็สามปรินิพานต้องใช้เวลาอย่างไม่ประมาทเอาละวิสาขาบูชาปีนี้ได้แค่นี้ก็ใช้ได้ไม่เฉพาะเด็กนะโยมก็ได้ด้วยใช่ไหมขอให้โยมได้เลยนะสามข้อเนี่ยเป็น คนต้องฝึกต้นหนึ่งต้องฝึกต้นสองเป็นคนมีปัญญาสามใช้เวลาอย่างไม่ประมาทแล้วญาติโยมก็จะได้ประโยชน์จากวันวิสาขาบูชาการฉลองวันวาขาบูชาก็จะมีความหมายอย่างแท้จริงเป็นปฏิบัติบูชาไม่ใช่แค่มาอาิสบูชามาถวายทุกเทียนดอกไม้จบแต่ว่าเรานี้ได้หมดเราได้ครบ มิสบุชาก็ทำแล้วมาร่วมพิธีเราก็ได้ความสามคัคคีทั้งกายใจจิตใจล่าเริงเบิกบานผ่องใสมีไมตรีจิตมิตรภาพน้ำใจดีปรารถนาดีต่อกันเราก็เริ่มปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าสอนในวิสาขาบูชานี่แหละแต่ว่าให้ได้หลักไปแล้วก็ไปปฏิบัติให้ครบคิดว่าวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาและก็ ข, ขออนุโมทนายมญาติวิสาทุชนทุกท่าน วันวิสาขบาูชาเวียนมาแล้วปีนี้ก็ให้ความหมายเพิ่มแบบง่ายๆอันหนึ่งว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ที่แท้ของชาวพุทธเมื่อขึ้นปีใหม่แล้วโยมก็ต้องสดใสมีกำลังเข้มแข็งโลกนี้เวลานี้ปัญหาเยอะคนไม่เข้มแข็งอยู่ไม่ไหวนี้เด็กก้าเลยเตือนเด็กนิดหน่อยหนูเนี่ยแหละสําคัญต่อไปอยู่ในโลกนี้นะปัญหานับวันจะมากขึ้นโดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อม เพราะว่าบรรพบุรุษนี่ทําไว้ให้บรรพบุรุษนี่สร้างโลกที่มันมีปัญหาสิ่งแวดล้อมเสียให้แก่เด็กๆเด็กๆ ก, ก, ก, ก็อย่าไปโทษท่านเลยนะท่านเป็นเจตนาร้ายนี่ไหนเมื่อเราได้รับโลกที่มันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องปฏิบัติต่อมันให้ดีทำไงเราจะรักษาโลกที่มันมีโรคอันนี้ให้มันอยู่ดีที่สุด เราก็ต้องเรียนรู้ต้องฝึกหัดพัฒนาตัวเองต้องเข้มแข็งนี่คนที่ไม่มีเข้มแข็งจะไปสู้ปัญหาได้ยังไงล่ะเพราะนั้นปัญหามารอหน้าอยู่แล้วหนูไปมัวเพลิดเพลินมัวจเล่นเกมมัวจะสนุกสนานมันจะไปได้เรื่องอะไรก็อ่อนแอใช่เพราะนั้นต้องเข้มแข็งเข้มแข็งก็ต้องฝึกตนให้เป็นคนมีปัญญาเรียนรู้ศึกษาเอาเต็มที่ต่อไปเราจะได้มา แก้ปัญหาให้แก่โลกแล้วเราจะต้องเป็นคนเก่งอย่างพระพุทธเจ้าคือเก่งในการทำให้โลกนี้มีความสุขใช่เป็นผู้เยี่ยมยอดในเรื่องนี้ตั้งจุดหมายนี้ให้ได้แล้วเราก็จะมีทางชนะปัญหาก็ปัญหาของโลกก็จะไม่เหลือวิสัยสำหรับเด็กที่รู้จักพระพุทธเจ้าได้คติจากวันวิสาขาบูชาเราก็มาตั้งจุดหมายว่าเราจะต้องเป็นอย่างพระพุทธเจ้าเป็นคนที่เก่งยอดเยี่ยม เก่งยอดเยี่ยมในการที่สร้างโลกนี้ให้เป็นโลกแห่งความสุขให้มนุษย์ทั้งโลกมีความสุขด้วยการที่มีปัญญาแล้วก็มาช่วยกันแก้ปัญหาสร้างสรรค์ให้ได้อย่างนี้ก็เป็นเจตนาที่ดีฉลองวิสาขบูชาปีนี้มีความหมายแท้จริงก็ขออนุโมทนาโยมญาติบิด ท, ท่านผู้ใหญ่ตั้งแต่ปู่ย่าตายายลงมาคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานเด็กๆทั้งหลายนักเรียนคุณครูอาจารย์ ทุกท่านเนี่ยมีเจตนาดีมีศรัทธาแล้วมีเมตตามมตรีมาประชุมกันด้วยจิตใจที่ดีงามมีความมุ่งหมายเป็นกุศลหมดแล้วก็ขอให้กุศลเจตนาของเหล่านี้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยการปฏิบัติตามหลักการที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ด้วยวันวิสาขาบูชานี้รัตนตยานุภาเวณรัตนตยติยศสา เดชานุภาพคุณพระรัตนตรัยและบุญกุศลตั้งแต่กุศลในใจของเราที่มีความตั้งใจดีเป็นต้นไปจงเป็นปัจจัยอวยชัยให้พรให้ทุกท่านมีกําลังเข้มแข็งทั้งเข้มแข็งทางกายมีสุขภาพดีทั้งเข้มแข็งทง า, าทงจิตใจเข้มแข็งทา ง, ง, งปัญญาและเข้มแข็งร่วมกันด้วยความสามคัคคีและมาช่วยกัน ปฏิบัติในวิถีทา ง, งคำสอนของพระพุทธเจ้าแก้ปัญหาสร้างสรรค์ให้ชีวิตครอบครัวสังคมนี้มีความร่มเย็นเป็นสุขยั่งยืนนาสืบต่อไปทุกเมื่อเทินสาธุพระเดช พ, พ, พระคุณพระพรหมพุทนาพรได้กล่าวธรรมคาถาจบลงแล้วนะครับวันนี้เป็นวันปีใหม่ของพวกเราชาวพุทธตามที่พระเดพระคุณได้ แสดงเอา